เดือนเดือนที่สองกันพระองศาลวา้วรในภุญพัานสีวันพระสามพระก็แปลว่ารอเป็นพระแต่สื่ห้าวัน 5. พระอุณัยเป็นาแล้วที่เหลือเป็นอะไรไม่ไรเป็นพระแล้วเป็นอะไร ในขณะอื่นเอมเป็นพระอยู่แล้วที่จ ะ, ะนับเอาอีกสองสัมเวรกานานับออ ก, กพรัรษาต้องถามว่านับปันษานับอะไรนับวันนับเดินนับตีนับบันพระหรือว่ารออะไร เพระฉนั้นอยาให้พกเราให้ความสําคัญแล้วก็ลําดับความสําคัญอะไรที่มันสําคัญที่สุดสําคัญกว่าสําคัญธรรมดาเราทั้งกรทุ่งไปถ้าเราลําดับความสําคัญอย่างนี้ชีวิตเราน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะทุกฝ่าพระวจนะโยมพระสองฆ์องค์หน่ง นี่มันไม่มีอะไรสำคัญเลยทุกเรื่องมันเท่ากันหมดเริ่มต้นจากลำดับความสำคัญถ้าอยู่ในแนวตั้งคือยืนส่วนที่สูงที่สุดก็ น, นาจะเป็นศิลป ะ, ะการบา ร, าาาริจาคบริหารจัดการบวชรอระมัดระวังหรือฝึกสติสังกาก็คือส่วนบน สำคัญส่วนบนก็คือสมองเกับความคิดวิธีคิดแต่คิดแบบเดิมๆมันใหญ่มัาเดิมหรือไม่คิดอะไรเลยนี่หนักแม้แต่ตัวเองก็มีความสำคัญเลยให้น้ำหนักกับความคิดตามตัวเองถามพูดยาว่มต้นจะขอแยกโดยสมาธิจิตจัดการความคิดนะ ในใจา ก, การตัวเองตัวแรกถ้าเราคิดไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นในความไม่ดีมันจะออกไปสั่งนอกไปทําร้ายไปทําลายล้างเป็นกันอะไกันถ้าเราคิดดีในที่แรกอะจะมีแต่ข้อดีไม่ทําลายทําลายไม่แต่ตัวเราเอง น, นั่คือคิดแค่คิดเพียงเดียวนะ ถามทุกวันนี้เราจํากัดความคิดของเราอย่างไรหรือว่าไป ร, รื้อเปลือยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองคิดอะไรเนี่ยคือความไม่มีสติเพราะฉะนั้นผู้ชายจัด ก, การเราเรื่องสติเรืเ่อง ป, ปัญญาสติปัญญาตองคำเนี่ยก็ต้องมาถามว่าในชีวิตของมเป็นจริงของเราจริง ก็ต้องยกกูมาถามไม่งั้นไม่เกิดปัญญาทางโลกและธรรมสวยจะไปตีความหมายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลองดูว่าโลกอยู่ยังไงธรรมอยู่ยังไงแล้วเราจะระดับความสาคัญมันถูกเหมือ้นก็ยังไม่เห็นความสาคัญโลกกับสติกับสตังธรรมาอันไหนมันสําคัญมากกว่ากัน ถ้าอยู่แบบโลกก็สตังสำคัญสารวนวุ่นวายทั้งชีวิตเพื่อหาสตังถามันได้มาแล้วมาทำอะไรนไนในคิดไงก็ได้ขอให้ได้สตังมาคือมุ่งปฏิสตังแปลว่าทำไมเราต้องหาสตังเพราะเราไม่มีสตังมันจะเป็นต้องไปหาสตังอันนี้ง่ายๆส่วนปลาธรรมก็เช่นเดียวกัน ก็คือสติทำไมเราต้องหาสติร้วผิกสติก็เพราะเราไม่มีสติมีแต่น้อยเหมือนสตังไม่มีใครที่ไม่สตังมีทุกคนแต่สตังมันน้อยทำอะไรไม่ได้สติก็เหมือนกันจะบอกว่ามีสติก็ไม่ได้มีทุกคนแต่สติมันน้อยไม่ทำอะไรได้ จะไม่ให้น้ำหนักสองคำเราเราให้น้ำหนักกับอะไรแน่นอนที่สุดคนส่วนใหญ่ของโลกจะให้น้ำหนักกับสัตว์ต่างก็แฮ่กันไปทั้งชีวิตเกิดเกิดเจ็บตายาาต่างทั้งชีวิตพอตายเสร็จหมดลมหายใจยึบอะไรไปได้บ้างทีนะี้ที่หามาทั้งชีวิตะแล้วมันจะเป็นของใคร เราต้องคิดแหละเพราะเรตาตอนครูเจ้าบอกใช้ประมวลนะใช้หงอนะหงอเยอะให้ใช้เยอะให้คิดาเธอไม่คิดเกิดจิวกับสตังอยู่ตลอดเกษียณแล้วก็จะหาสตังอย่างนั้นแทนที่จะเริ่มหาสติได้แล้วเพราะเวลาเป็นจำกัดไม่ถึงยี่สิบปีโดยประมาณ <c oughs> ก็จะหมดลมหายใจแล้วนะแต่ทั้งชีวิตสตังสติไม่หาเลยเนะี่ย หนักเลยคิดก็แไปเอาชีวิต เ, เกิดมาบรรลุเกิดมาเพื่ออะไรก็ได้แต่เกิดมาเพื่อแกเจ็บและก็ตายเราได้อะไรในว่าของเราทุกคนความสําคัญที่สุดต่ำดับก็คือเรื่องคิดความคิดของเราเนี่ยแหละจะทําลายหรือสร้างสรร์ข้อสองคำพูดที่แสดงออกเกิดเนื่องจากความคิดนั่นแหละ คิดอย่างนี้พูดอย่างซึ่งต่างกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคิดยังไงพูดอย่างนั้นพวกเราในคิดอย่างพูดอย่างนี่ยคือปัญหาแลมันไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าคิดอย่างไรทําอย่างนั้นพวกเราในคิดอีอย่างทําอีกอย่างนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากพระพุทธเจ้าแล้วพูดทํางตะวันตกกลางสลังกระเจ้านี้พูดไปทําไม ต่อให้บนทั้งวันมันก็ไม่เกิดอะไรผมไม่เข้าถึงใจมันไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในใจเพราะว่าเข้าใจคือไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจเวลต้องรีบต้องเร่งต้องฝึกพิจารณาเป็นตลาดเปิดเปิดไปเรื่อยโดยเฉพออาะที่ความคิดไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีสถานี คำพูดก็เหมือนกันพูดด้วยความไม่มีสติอยากพูดอะไรกับพูดพูดไปแล้วไปทำร้ายไปทําลายคนอื่นไปทําลายึจนกันอะรกันปฏิชินเดินทาไม่เียอะไรทำเรื่องคนอื่นครับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนน้นเป็นอย่างนู้นคนนั้นเลวคนนี้ดีมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเองเลยเสียวเวลาทั้งชีวิตกับปอบูนี้กูไม่ไ่้อะไรการกระทําก็เช่นเดียวกันมีการแสดงออกนี่แหละทั้งสามอย่าง ทางศาสนาเราเรียกว่ากรรมคืออันนี้ไม่ใช่ไปกรรมในเรื่องคนอื่นไปเอาหัวเสียกรรมใครก็ไม่รู้เจ้า ก, กรรมในเวที่ไหนก็ไม่รู้เจ้า ก, กรรมในเวทคือตัวเราเองนี่แหละถ้าจะแก้เจ้า ก, กรรมในเวทก็แก้ตัวเองไม่ให้คนอื่นไปแก้ไม่ใช่พระโ อ, นนโอ้นั่นโอ้นีโอ้ น, อนูไปแก้ไปแสดงเพราะไปย้อนแก้ในอดีตหรือหางเลยไร้สาระ กลับไปเชื่อของคนที่เชื่อมอซเซียลดังอีกเจ็บไหมให้เขาไปแก้กรรมให้ให้เขาไปเอาพฤติกรรมให้ทําไมไม่คิดด้วยตนเองไม่พูดด้วยเองไม่ทําะไรตนเองเพราะการแก้ใครแก้ตัวเองทีรรเงเรรเง่เขาอ่นไปแก้ก็อื่นแก้นม่ได้ไม่มีใครแก้กันได้ไม่เคยทาําแทนกันได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนให้ระมัดระวังก็คือสํารวม โดยพองยึส่วนศีรษะที่เป็นสำคัญที่มันจ ะ, สะแสดงออกแน่นอนสุดสำคัญที่จะดปใจแต่ว่าตัวที่มันสแสดงออกตัวที่เปนแปรสภาพของยุกหัวเพราะฉะนั้นถ้าหัวคนไม่ดีตาไม่ดีปากไม่ดีหูไม่ดีนคนนก็เท่ากับคอ่า ลองนึกดูดิว่าคนคอขาดเป็นยังไงสํา น, นึกสภาพออกเลยงูก็ไม่ดีหูหาเลื่อมตาก็ไม่ดีไปดูแต่ขอทํงที่ไม่ดีปากก็ไม่ดีไปเอาแต่ของที่มไม่ ด, กกไม ด, ไ ด, มดีมาพูดลม เ, เข้าลมออกเนี่ยให้ดูถ้าบางทีมันทำให้เรามีชีวิตก็ไม่ดูมีชีวิตได้เพราะเราหายใจก็ไม่ดูอันนี้คือคนที่คอขาดนี่ความร้ายแรง ความมนุษย์เราที่นคนคอขาดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยตาไม่ดีหูไม่ดีปากไม่ดีนยะจะมอง ก, ก็ไม่ดีคือไม่นึกถึงเลยเนะนี่ยนันถ้าก่อคอขาดนะเป็นผีหัวขาดนะอันตรายไห ม, ม, เ, มเพราะฉะนั้นโอวพระเจ้โก้คือน้อมกับตัวเองด้วยความมีสติเพราะสตังค์หามาเยอะต่อไปหาสติบ้าง ปริเจอสอนอะไรสอนให้หาสติสุกสตางค์ในเรื่องรายวันในชีวิตอีกความไปอยู่เพื่อสะดวกปัจจัยสี่ได้มาและบริหารจัดการปัจจัยสี่เท่า น, นั้นเองใครมีเยอะก็เอาควอมสะดวกไปเองให้มันเยอะหน่อยแต่ไม่มีเยอะไปเลยมันทุ๊บอันนี้คือตัวสตาแต่ตัวสติด้วยสิเป็นตัวที่สำคัญเพราะฉะนั้นให้คําสําคัญกับสติ ให้มากกว่าจากนี้เป็นต้นไปนีสตังรหามาเยอะแล้วเราไม่ต้อไปห่ลูกองร้านเราเขาไม่สติปัญญาเพียงพอที่จะมาหากินอลไรได้เขาดูแลตัวเองได้ห่วงตัวเองเนี่ยอนาคตจากนี้ไปถ้าอายุเธอมีอยู่สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบที่เหลือเนี่ยสติปัญญาเพิ่มขึ้นมากน้อยะดาดไหนส ต, ตังไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเอาสติทํำยังไงถึงสติเพิ่มขึ้น ให้มนมากขึ้นทําอย่างไรด้วยส่วนบนหัวของเราสมบูรณ์ไม่บกไม่พ่องตาก็สมบูรณ์หูสมบูรณ์ปากก็สมบูรณ์ก็ต้องระมัดระดาวังในบางตน้นพรูจะใช้คำว่าสํารวมสังวรหรือสังวรสํารวมสํารวมเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีสติันสํารวมได้ไหมนะการสือเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราต้องการให้เรามีสติ ฟังพูดคิดเสร็จแล้วโอกรายไปโปดน้อมกางตัวเองว่าสติจริงๆคืออะไรยืนเดินนั่งนอนเพื่ออะไรดื่มกินทำพูดคิดเพื่ออะไรถ้าทุกอย่างนี้ปราศจากสติแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเลยพุทยเจบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันปราศจากสติคนนั้นไม่ต่างอะไรกคนที่ตายแล้ว คือความดีไม่เกิดขึ้นเลยนัความหมายก็คือตายจากความดีไม่ใช่ตายผลร่มหายใจผล น, นั้นเท่ากับตายแล้วคือเท่ากับตายจากความดีแล้วโดยสิ้นเชิงรู้ตัวหรือเปล่าว่าตายแล้วถ้าไม่รู้ตัวก็สติฝึกสติหาสติมีสติดูคนอื่นมาทั้งชีวิตแล้วดูตัวเองนะั เราเห็นคนอื่นมาทั้งชีวิตนะเห็นตัวเองนี่เราไม่เห็นตัวเองเลยที่เรียนเพราะไม่ดูไม่ส่องกระจกดู้มันจะไปเห็นหน้าตัวเองได้ยังไงส่องกระจกให้เห็นตัวเองในแต่ละวันจะ เ, เห็นความดีความไม่ดีแล้วแก้ไขปรับปรุงพัฒนาดีขึ้นเจริญขึ้นนี่คือดูตัวเองส่วนดูคนอื่นพอแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย คนนี้นสงคนนี้ต่ำํำคนนั้นดําคนนี้ขาวคนนั้นจนคนนี้รวยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยอันนี้ประโยชน์เพราะนั้นระยะเวลาที่เหลือไปเนี่ยซึ่งมันก็ประเดีมากหน่ยามแล้บอกว่าวดเดือนหนึ่งก็มากันสีห้าครั้งโดยประมาณคนที่มากก็น่ากลับมาไปลรไม่ไจำอะไรก็ขออนุโมทนาแต่โดยทั่วไปอะไรก็เ็อย่างนี้เพราะนั้นใดๆก็เข้ามาแล้วก็คือพยายาม เอาความดีให้กับตัวเองให้มันมากหรือเราเทอีแบบได้โดยเพา่มยิ่งๆึ้นใแต่ละวันใครทบทวนความดีของตัวเองวันนี้เรามีดีอะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้น่ดีจะเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดดีเกิดจากเกจากคำพูดดีเกิดจากเกิดจากการการะทำของตัวเองวันนี้มีอะไรดีที่มันเพิ่มขึ้นถ้าไ้นมีก็แบบวันเดิ คิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมไม่ดีความเดียวกันขึ้นก็เสียเวลาเปล่าสูรเปล่าเสียดายเวลาสิบสองชั่วโมงยี่สิชั่วโมงแทนที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเวลาขอชีวิตจิตใจมันไม่มีมเพราะอะไรเพราะว่าสติเราไม่ฝึกสติกันเพราะนั้นก็นกฝากพวกเราทุกคนให้พูดถึงถือื่นน้อยน้อยคิดถึงอื่นน้อยนอย ให้ค um li ิดถึงตัวเองเยอะๆพูดถึงตัวเองเยอะๆเราจะได้ประโยชน์จากการเกิดแก่จ็บตายไม่งั้นแล้วมันจะได้เวลาโดยเฉพาะยิ่งคือ24ชั่วโมงอย่าไปคิดว่าเราได้แค่24ชั่วโมง12ชั่วโมง0ปล่าไปกับเวลาเสียเวลากับนอนหลับพักผ่อนอื่นๆทีเวลา12ชั่วโมงก็ไม่ได้แปลว่าได้ทั้ง12ชั่วโมง เวละทีเป็นมีสติปัญญาจริงๆมันมีชั่วโมงมีชั่วโมงแตเจริญเอาทำมาหากินเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วก็เหลือแค่สองชั่วโงเองนะการวันหรือสองชั่วโมองอสองชั่วโมงก็ท ำ, ท, ำทำอะไรอีกทำน้ำอาถาทำมาหากินกข้าวเก็บปลาเน้นทาคนบ้านหมดไปแล้วถามว่ามีอะไรดีขึ้นมาเดี๋ยวนี้สติพิจารณาอย่างนี้โอ้วันนี้หลบขาดทุนวันนี้จะเป็นค้าขายขาดทุนยัดเยิน ไม่ได้อะไรเลยแต่เป็นธุรการค้าขายแล้วก็ยังค้าขายอยู่นะรู้ว่ามันขาดทุนแต่ก็ยังขายอยู่ปากบนไปอย่างนั้ น, น, นเพราะอะไรเราไม่พิ่มสนทุนมันก็ไม่เพิ่มเราจะเอ า, าาาอเอาอะไรไปค้าขายต่อเอาอะไรใช้ไปคิดไปพูดไปทำต่อไปต่อยอดต่อให้มันสูงก่อนนี้ให้มันดีก่อ น, นไม่ไดีหนระือมันไม่ดีกว่านี้อนาคต ลมหายายจากเกจับตายมันไม่ดีกว่านี้มันแย่กว่าเก่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกลับมาอีกทีมันเหมือนเดิมนะตาอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมอาจจะมาข้างเดียวก็ได้หูดีๆนะอาจจะมาด้ินข้างเดียวจมกูกปากอาจจะแหว่งก็ได้แขนอยู่ดีๆอาจจะมาข้างเดียวก็ได้หรือหายไปสองข้างเลยก็ได้เราก็เห็นก็อยู่บนโลกเปนขาก็เช่นเดียวกันนะ กับมาไอทีมันไม่มือนเดิเพราะสินเราไม่สมบูรณ์รู้อย่างนี้แล้วก็จาัด ก, การเรื่องสินนะในแต่ละวันนะ่ะต้องมีสินมีสินแล้กวก็ต้องมีทำด้วยนะเพราะจะคํำพูดทำด้วยนะสินทำนะี่คือเป็นเรื่องแต่เราจะต้องคำนึงคิดในชีวิตประจําวันถ้าเราปล่อยปละละเลยอยู่ไปวันวันชเสยนะฮะเช้าสายบ่ายค่าจบนอนตื่นกิน เรเอาเวลากระสอบคุณเสียเวลาก็ะอบคุณมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบริษังฝากเราทุกคนเพื่อให้พวกเรามีสติคุณพ่อเขาคงไม่มีสตังค์มาให้หรอกสตังค์ก็หาไปเองแต่สติได้ให้ก็หากันได้แต่ว่าให้แล้วไม่เอามโดยเฉพาะเอาสตังค์ให้แต่ไม่รับอันนี้น้าร้อยบาทนะเอาไปซื้อของกินข้าวกินป้าแต่ไม่รับมีประโยชน์ไหมสตังค์ร้อยบาทนะ เก็พอจะให้สติทุกวันวันป้านะสติจะตังห์เกิดขึ้นอย่างนี้แต่เราไหมครับเอาเราไม่มีสติมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ถ้าคนสตังห์ก็ไม่มีสติก็ไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นก็อยู่บนโลกวันนี้ยังไงเนี่ยฝากพวกเราทุกคนเพื่อเก็บจริงจังกับชีวิตอย่างน้อยที่สุดกระทบทัวตัวเองว่าวันนี้มันเรามีดีมีเสียอะไรบ้าง อย่าให้มันเสียมากกว่าดีเราผ่านมันได้มา50ปีแล้วต่อความเสียหายภัยล ะ, ะกับตัวเองมันไม่มีความดีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งครูบาอาจารย์เราก็ไม่อยู่แล้วแต่ละองค์แต่ตและท่านถ้าใครจะมาให้สติทุกวันทุกวันเลยทุกวันว่า อ, อย่างนี้ยต่อไปคุณจะให้สติอย่างนี้บอกได้เลยจะน้อยลงคุณจะให้สติปัญญาอย่างนี้คือฟังแล้วมันเปิดสติปัญญา มันจะมีแต่เรื่องไร้สาระมีประโยชน์อนอกตัวในตัวยิทย า, า, าบัณฑาศราชศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ราถาว่าพระพุทธเจ้าสอนไหมถ้าไม่สอนจะอยู่กับพวกนี้ได้ยังไงก่อนหนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาที่เป็นธรรมะที่เป็นพระธรรมเอาที่เป็นพระอริยะสงฆ์ที่พระสงฆ์ที่ดีปฏิบัติปฏิบัติเขาปฏิบัติท่านปฏิบัติตามกันมา เราก็มาชี้แจงแสดงให้พวกเราดูเพื่อให้เกิดธรรม ะ, ระเพื่อให้เกิดสติในชีวิตประจนาวันนั่นต่างหากตักทุะสมขึ้นนั่นคือความสําคัญของชีวิตที่เราจะต้องส่ะแสวงหาในชีวิตส่วนอื่นๆมาหามาะทังชีวิตแล้วพอแล้วเรื่องไร้สาระทั้งหมดพอแล้วหาเรื่อที่เป็นสาระกับตัวเองมากชีวิตเราจะได้มีสาระไม่งั้นมันก็จะไร้สาระก็ได้ไประโยชน์อะไรเล ย, เลย ดัะนั้นปัญหาการนีนกาแฟพวกเราทุกคนเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ถ้ามีสติปัญญาแล้วมันก็ไม่จะต่างกับคนอื่นไม่ต่างกับสัตว์สัตว์ต่างหลายคนแตกต่างไม่เกิดขึ้นกัะ เ, เท่ากันหมดอันนี้อันตรายเพราะนั้นถ้าเรามองทุกอย่างมันพอๆกันนะพูด ง, ง่ายๆมันจะไปได้อะไรฝากพวกเราเพื่อให้เกิดสติปัญญาในภาษหาการนี้ รวังว่า ว, วังวังแล้วพวกเราจะได้โอภรณจิตโกคือ น, นะะ้อมตาตัวเองไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เสร ะ, ะในภาษากันเนี้ก็ขาออนุโมทนาความดีที่พวกเราทํามาทั้งหมดว่าที่เราทํามาแล้วเจนสองสาวมังสอนเราก็ไปทําความดีกันเสด็จเหลือนำทุกคนในกระดีของความดีก็เวลาเนึน้กายนื้อใจนี้นึกถึงความดีอย่างนี้สู่ความไม่ดีของกันและกันจะเป็นนึกถึงมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เสียชนะหรือเสี ย, า ย, ายานะหาย ถ้าจะนึกถึงนึกอย่างนี้นึกถึงความดีของกันและกันของตัวเอง ม, มันจะได้จำคือจิตมันจะได้จําวามดีดมังั้นมาจําแต่ก่อนไม่ดีอะไรยังมีความดีอีกเยอะเราจะจำเราจะฝึเดือนนี้เดืเป็นศลากับพัดแต่เดือนนี้เป็นวุ่นวายหลวงพ่อพเขาไปปฏักิสีหาวันข้างหน้าก็ไปหาหมอไปหาหมอเสร็จอันาน่าจะไปตัง้งยางวัดโพสารพัดก่อจะได้มาพูดมาคุยกับพวกเราเนี่ยหนัก เยี่ยม5ารพัดสี 4, 5, 6, ่ห้าหกก็ก็ไปเยี่ยมหมลอละเพราต้องไปเยี่ยมหมอนั่นคือปัญห า, ป, หา ป, ญปัญหาผิตภัณฑร่างกายได้ไปเยี่ย ม, มหมอหลังจกนั้นก็ประชุมประชุมเจอกับงานรัูงานรับู้สังมีสี่เยี่ยม5สารพัดเราก็หมดไปเช่นเดือนละแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเนาะถ้าเราไม่ เพิตนเสวงหาความดีกับตัวเองมันจะไม่ได้อะไรชีวิตไม่มีศาะไรเลยกว่าพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวึแนวคิดนํนนำประสงการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราเยะประโยชน์จากการเกิดเกิดจากตายในครั้งนี้ก็ขอขอธิษฐานในกุศลในศสนาพวกเร า, รารทุกคนอย่าลืมอุทิศโดยเฉพาะจจงความดีที่เราทําทุกครั้งหรือที่ผ่านมาทั้งหมดให้กับบรรพบุรุษของพกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญทั้งหมด ขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญชื่อฐานมาหรือในวันนี้ก็ดี